วันนี้เป็นวันสำคัญนะของวัดป่าสุกโตเพราะว่าเป็นวันที่เราจะเริ่มนะการจัดท่ายตำหรับเนรภาคฤดูร้อนและปีนี้ก็เป็นปีที่สำคัญกว่าปีก่อนๆตรงที่ว่าเป็นปีแรกนะที่เราได้กลับมาจัดทำท่ายแบบนี้อีกหลังจากผ่านไปแล้วสี่ปีเพราะว่า ปี6กสา6 5ี่ห้าเราไม่ได้จัดนะเพราะโควิดแพร่ระบาดแม้ว่าตอนนี้มันก็ยังระบาดอยู่แต่ว่าก็บันเทาเบาบางลงไปเยอะแล้วเราก็เลยกลับมาจัดใหม่หลังจากที่วางเว้นไปสามปีถ้านับจากปี 6-2 สองนี่ก็สี่ปีแล้วเรื่องการ บวชเนรเผ่าฤดูร้อนนี่มันก็เป็นสิ่งที่วัดป่าสุขกโตเนี่ยจัดมาต่อเนื่องนะ10บกว่าปีแล้วแล้วก็ถ้ายังมีกำลังอยู่ก็จะจัดทำกันเรื่อยไปเพราะต้องการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆนะได้มีโอกาสมาเรียนรู้ถึงสิ่งสำคัญของชีวิตโดวยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่ปิดเทอมยาว สมัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นเด็กๆเนี่ยอายุเท่านักเรียนทั้งหลายเนี่ยนะปิดเทอมแล้วต้องไปเรียนพิเศษนะพ่อแม่ให้ไปเรียนพิเศษตั้งแต่ปหนึ่งเลยนะตั้งแต่ปหนึ่งก็เรียนพิเศษปสองปสามก็เรียนพิเศษเรียนยนถึงมศสี่นะมศสองอายุสิบสี่สิบห้าปี ไปเรียนพิเศษเพื่ออะไรนะั่นเพื่อไปเอาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เพื่อไม่ให้ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมันสูญหายไปเพราะว่าวิชาความรู้นี่ถ้าไม่ฝึกฝนมันก็ค่คอยๆเรื่นหายแต่เดี๋ยวนี้เรียนพิเศษนี่ก็ไม่ค่อยมีคนเรียนกันและหรือก็เรียนกันน้อยลงคนที่พอมีเงินหน่อยก็ ให้ลูกไปเข้าค่ายที่เราซัมเมอร์แคมป์โน่นไปถึงต่างประเทศเลยส่วนใหญ่ก็ไปนเน้นเรื่องวิชาความรู้แล้วก็ให้เด็กได้ไปหาประสบการณ์แต่ว่าค่ายเนรุดูร้อนนี้มันเป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งเลยนะไม่เหมือนการเรียนพิเศษไม่เหมือนซัมเมอร์แคมป์ที่ หลายโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนอินเตอร์เขาจัดกันเราพาเด็กเนี่ยมาเรียนรู้ในเรื่องที่สำคัญของชีวิตยอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่วิชาความรู้แต่เป็นวิชาชีวิตนะวิชาความรู้ก็สำคัญอยู่นะอันนี้เคยผลที่เด็กๆ เ, เนี่ยไปเรียนหนังสือกัน ตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ไปต่อมาอุตส า, าหะพิชาความรู้นี่มันก็เอาไปใช้ในการทำมาหากิจได้ทําไม่มีชีวิตที่มั่นคงในทางเศรษฐกิจในทางสังคมแต่ว่าจะมองข้ามวิชาชีตนี่ไม่ได้เลยวิชาชีตนี่ก็สำคัญมากความรู้เนี่ยมันก็มีอายุของมันนะ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสมัยลวงพ่อเนี่ยเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยวิชาภูมิศาสตร์สอนเราว่าเนี่ยเมืองไทยส่งข้าวเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งตามด้วยดีบุกแล้วก็ไม้สักนะข้าวไม้สักดีบุกนี่เป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งแต่ทีนี้ไม่ใช่แล้วความรู้นี่มันล้าสมัยไปแล้วโตวอีกหน่อยนะพอเรียนมัธยมเรียนมหาทลายเขาก็บอกว่า ดาวพลูโตเนี่ยเป็นดาวเคราะห์หนึ่งในสุริยะจั ก, กรวาลก็ท่องจํากันมาแต่เดี๋ยวนี้เขาถอดแล้วนะพลูโตนี่ไม่ใช่เป็นดาวเคราะห์แล้วในสุริยะจั ก, กรวานนะลนะความรู้มันเปลี่ยนไปความรู้ที่เราเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมันมันไม่ค่อยอยั่งยืนเท่าไหรมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่ว่าจะในทางวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ แต่วิชาชีวิตเนี่ยนะมันไม่มีลาาสมัยนะแม้มางคนจะบอกว่าเป็นเรื่องลคลําครึกนะเรื่องโบราณแต่ที่จริงแล้วนี่มันเป็นวิชาที่ไม่มีวันลาาสมัยแล้วก็ได้ใช้ตลอดชีวิตเลยนะจนลมหายใจสุดท้ายอันนี้หลวงพ่อยืนยันได้เลยนะวิชาชีวิตเนี่ย ถ้านักเรียนได้เรียนหรือแม้แต่พ่อแม่ได้เรียนเนี่ยมันได้ใช้แน่แล้วก็ได้ใช้จนลมหายใจสุดท้ายเลยวิชาชีวยี่มันสาคัญนะเพราะว่ามันช่วยทําให้เรารู้จักครองตนได้ครองตนนี่ความหมายเนื้คือรู้จักรักษาตนพอเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสิ่งยั่วยุแล้วก็เย้าวยวนเยอะสิ่งยั่วยุให้โกรธสิ่งยั่วยุให้เกิดความ เกียเกิดความเครียดทั้งจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็จากพฤติกรรมของผู้คนแล้วะมีสิ่งเยา้ายวนอีกนะเยา้ายวนให้หลงหลงบางทีนี่หลงจนกระทั่งเสียผู้เสียคนเลยนะเช่นอบายมุกยาเสพติดแม้แต่เกมวิดีโอเกมเกมออนไลน์นี่ก็ทําให้เด็กหรือแม้แต่ผู้ใหญ่นเสียผู้เสียคนนะ เพราะว่ามันเป็นมีอำนาจในการยา่อหยวนสูงมากจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้เรียนหนังสือนังหาไม่ได้ทําหน้าที่รวมทั้งสิ่งของต่างๆสินค้าต่างๆที่ทําให้คนนี่ตกเป็นท่าของมันว่อตกเป็นทาาของสิ่งเสพนี่เพราะว่าไม่รู้จักครองตนแล้วก็ไม่รู้จักรักษาตนแต่ถ้าคนนี้รักษาตนดีแล้วนี่นะ อะไรจะมายั่วยุก็ไม่ได้ผลไม่โกรธไม่หงุดหงิดนะแม้มีจะมีคนมาต่อว่าด่าทอมาบุลลี่ก็ไม่หวั่นไหวนะเดี๋ยวนี้บุลลี่นี่กลายเป็นคําที่คนรู้จักกันทั่วแล้วทั้งที่เป็นปาภาษาฝรั่งมันมีทั่วไปหมดนะบุลลีนะ่นี่ประสิงยั่วยุอย่างหนึง่งนะบุลลี่ทางโทรศัพท์มือถือทางโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ในโรงเรียน แต่ถ้าเด็กรู้จักรักษาตนได้นี่มันทำอะไรไม่ได้นะสิ่งเย้าหยวนกันไปกันนะจะทำให้หลงไหลติดยาติดอบายามุขหรือว่าไปติดสิ่งเสพจนกระทั่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนเยอะๆในแต่ละเดือนอยากได้นว่นอยากได้นี่ไม่มีจบนะมันก็ไม่มีนะเพราะเรียกว่ารู้จักรักษาตน เพราะวิชาชีพนี่มันทำให้สามารถจะควบคุมอารมณ์รักษาใจให้มั่นคงได้ไม่หวั่นไหวง่ายๆไม่ว่าจะมีอะไรมายั่วยุหรือเย้ายวนนะเพราะว่าอะไรเพราะมีสติเพราะมีปัญญานะแล้วก็ยังสามารถจะรู้จักตนเองได้ดีขึ้น รู้ว่าตัวเองเนี่ยถนัดตรงไหนมีความสามารถอะไรรวมทั้งรู้ว่าสุขหรือทุกเนี่ยสำคัญอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกความสุขที่แท้ไม่ได้เกิดจากการกินการเสพการกินการเที่ยวการเล่นแต่ ส, สุขที่แท้นี่มันอยู่ข้างในอยู่จากอยู่ที่การได้ทำความดีได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าหรือพบความสุขแม้กระทั่งชีวิตที่เรียบง่าย และพอรู้จักตัวเองแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะรักตัวเองได้ง่ายเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่ว่าแต่เด็กเลยนะผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยรักตัวเองแล้วหรือว่ารักตัวเองก็รักแบบผิดๆพาเข้ารถเข้าพงเพราะมีแต่วิชาความรู้นะแต่ว่าไม่มีวิชาชีวิตหรือว่าอ่อนวิชาชีวิตแล้วพอไม่มีวิชาชีวิตเนี่ยนะไม่รู้จักครองตัวรักษาตน พอเจอสิ่งมากระทบมากๆเจอความทุกข์ความเรียรมากๆบางทีสติแตกทํรลายตัวเองนะตัดช่องน้อยแต่พอตัวนี้เป็นเันเยอะหรือว่าอย่างอ่อนนี่ก็อาจจะเป็นลวกซึมเศร้านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าอ่อนวิชาชีวิตแม้จะมีความรู้เยอะแต่เอาตัวไม่รอดอย่างที่โบราณว่าเนี่ยความรู้ท่มัวตัวไม่รอดเพราะรู้แต่วิชาความรู้ แต่ไม่มีวิชาชีวิตค่เนเนี่ยจะมาชวนให้เด็กๆเนี่ยมารู้จักวิชาชีวิตบ้างโดยอาศัยสถานที่ที่โบราณนะคือวัดนะนะไม่ใช่โรงเรียนอินเตอร์ที่ทันสมัยมีคอมพิวเตอร์ราคาแพงแต่ว่าเรามากับมาอาศัยสิ่งแวดล้อมแบบโบราณนะวัดของพระพุทธเจ้า แล้วก็ผ้าห่มหรือเครื่องนุ่มห่มแบบพระพุทธเจ้าก็คือจีวอนนี่โบราณมากเลยนะ 2,500-600 ปีแล้วเนี่ยจีวอนเนี่ยไม่เหมือนเสื้อของวัยรุ่นสมัยใหม่ที่มันทันสมัยมากนะเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะเรามาอาศัยของเก่าโบราณแต่ว่าแฝงไปด้วยนะสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาคือวิชาชีวิต แล้วก็ใส่วิธีการที่ไม่ต้องใช้ตำรับตำรามากไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะแต่ว่าไม่เรียนรู้จากประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตไม่เรียนรู้จากของจริงมาเรียนรู้จากความยากลําบากเพื่อทําให้รู้จักตัวเองแล้วก็รักตัวเองได้พอรักตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะรักคนอื่นง่ายๆและพบว่าการรักคนอื่นการมีน้ําใจช่วยเหลือคนอื่น นึกถึงคนอื่นนี่แหละนี่มันจะช่วยเติมเต็มความสุขและคุณค่าของชีวิตให้กับตัวเองอันนี้วิชาความรู้เนี่ยเขาไม่ค่อยเน้นนะแต่ว่าวิชาชีวิตเนี่ยนี่เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเนี่ยเด็กๆที่จะมาเข้าค่ายนี่นะอาจจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนในโรงเรียนหรือแม้แต่ซัมเมอร์แคมป์ที่เคยผ่านนะแต่ว่าให้มั่นใจว่าถ้าหากทุ่มเท เรียนรู้กับสิ่งนี้ไปจนตลอดวันสุดท้ายคือวันที่12เมษาจะมีวิชาชีวิตเพิ่มผูนขึ้นและจะติดตัวช่วยพาเราไปสู่ความปกติสุขผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้ด้วยดีนะเป็นที่พึ่งพาแสงตัวเองได้การเรียนรู้แบบนี้นี่พ่อแม่นี่ต้อ ง, ต, องต้องทำใจนะต้องตัดใจด้วยนะให้ลูกได้เรียนรู้ได้ตัวเองแม้จะยากลาบากยังไง นะก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนะจะไปตามติดประกบคอยช่วยเหลือนะตลอดเวลานี้อันนี้ไม่ควรแล้วต้องวางใจให้ลูกได้เรียนรู้จากความทุกข์ยากความลำบากครายนี้เนี่ยนะมันไม่อดนะความยากลาบากอ่ะไม่ขาดนะความยากลำบา ก, านะาา ก, บากแต่ว่า มันก็มีสิ่งที่น่าสนใจมีความสุขมีความสนุกมีเส น, เน่ห์ที่อาจจะหาไม่ได้นะจากโรงเรียนหรือว่าจากซัมเมอร์แคมป์ที่ทั้งหลายซึ่งไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวมันให้ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าด้วยนะและต่อไปเขาก็จะพบว่าในความทุกข์เนี่ยมันมีความสุขที่แฝงอยู่ในความลำบากนะมันมีคุณค่าที่ช่วยทาให้เป็นคนที่สุขง่ายแล้วก็มีความทุกได้ยากนะอันนี้แหละก็คือ นะประโยชน์นะของค่ายเนนนะที่ลูกหลานของเราจะได้มาเรียนรู้และได้ประสบสัมผัสนะตลอดสามอาทิตย์นี้